พุทโธสวัสดีปี2558ห้าร้อห้าสิบปดค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะขานปีเ็จะเตือนตัวเองนะคะว่าชีวิตนี้มีแต่เดินไปข้างหน้าไม่มีการถอยหลังไม่ว่าใครก็ตามทีนะคะรายการสันสนีสนทนาจึงเป็นรายการที่อยากจะทำให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เข้าอกเข้าใจในชีวิตของตนเองแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ดิฉันเอาสติปัญญาเท่าที่มีอยู่มาพูดเองแต่ว่าเป็นเรื่องของ ปัญญาระดับพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นเองมีพระอาจารย์ไพบูรณ์อภิปุลโนพระมหาภับูร์อภิปุลโนจากวัดปาดอนหายโศอุดรธานีจะมาเป็นผู้ให้ความรู้นี้แก่พวกเรารวมไปถึงความรู้รอบด้านอื่นๆถ้าหากมีและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของธรรมของทศ า, าสดานะคะตอนนี้เราก็ไปกราบนมัสการท่านไพบูรณ์กันก่อนคะ่ะ นมัส ก, การกันท่านคะเยี่ผานค่ะโยมเองเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก่อนหน้าที่จะมาจัดรายการวันเนี้ยนะคะเยี่านต่อจนต้นปีก็ได้มีโอกาสไปพักผ่อนที่ดูไบซึ่งเป็นประเทศที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามโดยก็อย่างยิ่งคนที่เป็นเจ้าของประเทศเรียกว่าทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าคนที่อยู่อาศัยที่นั่นเป็นจํานวน ถึงกว่าครึ่งค่ะที่เป็นคนต่างชาติส่วนใหญ่คิดจะหน้าตาแขกแขก ค, คนที่ดูแลดิฉันนี่จะเป็นคนแขกเลยก็เลยคุยกันหมายถึงค น, นอินเดียถูกไหมอ่านึกว่าเขาถือศาสนาอิสลามอ่าและจะนึกว่าเ้าเป็นคนดูไบค่ะเพราะาเขาบอกเกิดที่นั่นเพียงแต่ว่าที่นั่นเนี่ย เขาจะห่วงสัญชาตินะคะ mm hmm. ไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนต่างชาติมาเกิดที่นี่อยู่ที่นี่กี่ปีทามาหากินให้ประเทศนี่ได้ประโยชน์และคุณมีโอกาสเป็นคนในชาติโดยสัญชาติ mm hmm. เขาไม่ได้รับในสิ่งนั้น mm hmm. แล้วก็เลยคุยกันเรื่องศาสนาถามว่าแล้วคุณเป็นมุสลิมด้วยหรือเปล่าเขาบอกเปล่าเขาเนี่ยมีความเชื่อในสิ่งที่คล้ายๆกับชาวพุทธเชื่อรากฐานมาจาก ความเชื่อแบบพระพุทธเจ้าเหมือนกันศาสนาเขาชื่อแปลกมากค่ ะ, ะเขาไม่ได้ใช้คำว่าศาสนาเขาใช้คำว่าเล g a c y ่เลกาซี <Legacy S 2> ก็หมายถึงหมายถึงมรดกที่รับมาจากจากคนที่สอนก็ลักษณะนี้นะเป็นคำสอนนั่นแหละค่ะชื่อตัวแซดนะคะโซโรแอสเตรียนออออสต์อ อันนี้เป็นชื่อยอ่อถ้าชื่อจริงต้องต่อคำว่าพาซีเข้าไปด้วย so astrain paazi แล้วที่ฉันก็ถามว่าเหมือนตรงไหนแล้วกับศาสน า, าพุทธเขาบอกว่ามีหลักสามอย่างคือคิปดีพูดดีทำดีค่ะทีนี้เราเราเอ า, าคาเอาความหมายใ ห, ให้ให้ถูกต้องกันนิดนึงก่อนนะคุณโยมติยวอย่างคางำว่าศาสน า, าที่ที่คนไทยใช้เนี่ยหมายถึงคำสอน อย่างศาสนาพุทธก็คือคําสอนของพุทธะ น, ะนี่คือหมายถึงคําสอนแต่ว่าถ้าเราแปลเป็นภาษาอังกฤษคําว่า religion เนี่ย religion เนี่ยมันมาจากรากศัพท์คำว่า R-E-L นีซึ่งหมายถึงแบบรัดเอาไว้ครอบงาเอาไว้นีซึ่งซึ่งมันจะไม่ใช่ความหมายเดียวกันกับศาสนาในความหมายถึงคําสอนเพราะฉะนั้นตรงนี้ธรรมาจึงคิดว่าคนที่คุณยมติวคุยด้วยเนี่ยที่เขาปฏิเสธในการที่จะใช้คําว่า religion เนี่ยก็คงจะหมายถึงตรงเนี้นะ ว่ามันไม่ใช่ความหมายอย่างนั้นค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามีคนนับถือน้อยมากที่อยู่ในความเชื่อเนี่นะคะบอกน้อยจริงๆจนแทบจะศูนย์พันแล้วอืมอ่าที่ดท่านมาพูดในรายการนี้ก็เพราะเห็นว่าเขาพูดถึงความคล้ายๆกับพระศาสดาของเราสอนเอาไว้คิดดีพูดดีทําดีที่เขาอ้างว่าเป็นหลักการของเขาเนี่ยนะคะใช่อ่าจึงอยากกล่าบเรียนถามท่านว่าในาศาสนาพูดเนี่ยหลักของเราเนี่ยถ้า จะพูดว่าคิดดีพูดดีทําดีซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเน่ยจะครอบคลุมในสิ่งที่พระศาสดาเราสอนแล้วหรือไม่คะอาจจะอาจจะมีบางส่วนเป็นไปได้เลยในสมัยพุทธกาลก็มีคําสอนของครูบาอาจารย์บางเหล่าที่มีอยู่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็ได้สอนถึงเรื่องของศีลแต่บางเหลาก็สอนถึงเรื่องของปัญญาก็มีบางคนก็สอนถึงเรื่องของบรหมวิหารแต่แต่ว่าจะ เป็นเขาเรียกเป็นสับเซตในคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมีตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างอาจจะไม่ครอบกลุมแต่ว่าก็จะมีบางส่วนอยู่ดงนั้นเท่ากับทา่านกำลังจะบอกว่าถ้าจะอธิบายหลักคําสอนของศาสนาพุทธเพียงแค่คิดดีพูด ด, ทดีทําดีที่บางคนก็เชื่อเช่นนั้นนะคะสำหรับคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนยังไม่เพียงพ <Rail way> <S <S อภาษาสอนมากกว่นานั้นเพียงพอเพียงพอทีนี้เราต้องดูไปในรายละเอียดว่าพูดดีคิดดีทําดีเนี่ยอะไร ก็จะต้องมีลงไปในดีเทลส์ในรายละเอียดว่าคิดดีนะคือไม่ใช่ว่าแค่ว่ามีความปรารถนาดีให้กันอันนี้ก็ส่วนหนึ่งมันก็ยังมีส่วนที่เราเป็นสมาธิสมาธิมีอะไรก็ต้องแยกไปอีก2ส่วนส่วนที่เป็นโลกิยะกับส่วนที่เป็นโลกุตระเนี่คิดดีมีอะไรอีกไม่พยาบามไม่เบียดเบียนด้วยเนี่ยแล้วพูดดีเป็นยังไงแยกแยะออกไปรายละเอียดตรงเนี้ยตัวอาจจะไม่เหมือนกันเน่เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าในคำสอนที่ เป็นของเลคซีของคนอื่นแต่เขาก็อาจจะมีคําอธิบายที่แตกต่างกันไปอาจจะไม่รัดกุ่มเท่าของพระพุทธเาอาจจะมีส่วนที่คล้ายๆกันบ้างเหมือนกันบ้างแต่ก็จะไม่รัดกุมเท่าที่พระพุทธาระอธิบายค่ะหมายถึงว่าหนีไม่พ้นในเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับพูดคิดทําใช่นะคะดังนั้นคําสอนเนี่ยก็จะสอนให้อยู่ในการคิดพูดทําให้ดีนี่แหละเพียงแต่ว่าจะดีอย่างไร แตกต่างกันไปในรายละเอียดใช่ทีนี้ดิฉันจะถามละเอียดไปเรื่องเดียวในส่วนของคนที่นับถือาศาสนาชื่อแปลกโซโลอสเตรียนพาซีเนี่ย น, นะคะว่ายกตัวอย่างงั้นาศาสนาของคุณเนี่ยมีคล้คลายของเราไหมที่มีศีลเรื่องของให้เว้นขาดจากการดื่มสุรางเงี้ยนะคะอืมเรื่องสุราเขาบอกอ่าเขาบอกไม่ๆมมถ้า คุณที่ดื่มแล้วไม่เป็นไม่เมาไม่ได้เสียหายไม่ได้ทําให้พฤติกรรมไปในทางที่เดือดร้อนกับตนเองกับคนอื่นเนี่ยไม่เป็นไรอือันนี้เหมือนกับศาสนาเราหรือว่าขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงค่ะในในคําสอนของพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องของศีลในข้อที่ห้าที่คุณโยมถึงพูดถึงการดื่มชุราเนี่ยเอาไว้อยู่สองในยะด้วยกันในในายะแรกเนี่ยก็คือการเบ้นขัดโดยสิ้นเชิงอย่างที่เราเข้าใจกัน เอาไม่ดื่มสุราไม่ไรอันเป็นที่ใต้แห่งความประมาทเน่ประเด็ น, นมีคือตรงความประมาทในยะที่2ก็ได้เคยพูดถึงเรื่องของศีลในลักษณะที่เว้นข้อที่5นี้เอาไว้แล้วก็ใส่สัมมาวาจาอีก3ข้อเข้าไปอันนี้ก็มีในกรณีนี้เหมือนกันก็คือเอาเอาสุราออกแล้วก็ใส่การละการพูดเพ้อเจ้อละการส่ อ, สอเสียละการพูดคำหยาบเข้าไปด้วยก็คือเป็นสัมมาวาจาบวกกับศีลสข้อแรก ก็เปนต้องมเจ็ข้อค่ะงั้นก็เท่ากับว่าในศาสนาพูดจริงๆก็ไม่ได้พูดว่าต้องเว้นขาดซะทีเดียวหากมีข้อแม้ว่าสามารถจะควบคุมพฤติกรรมในเรื่องของการพูดจาให้อยู่ในหลักสัมมาวาจาได้เออประเด็นคือตรงไม่ประมาทเนกะารไม่ประมาทเนี่ยมันจะแสดงออกมาทางวาจาได้เพราะว่าศี่ข้อห้าเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าดื่ม นะอันเป็นที่ใต้องแห่งความประมาทเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มเนี่ยตรงนี้มันจะประมาทประมาทนี่ดูจากอะไรได้ก็ดูจากวาจามันเริ่มออกนอกแนวและเริ่มพูดด่าคนนั้นพูดคำหยาบพูดส่อเสียดนี้เป็นได้ <Okay. S 1> แต่นี้ทตนี้กลับมาถึงประเด็นตรงที่ว่าในทางศาสนานี่คือในทางคําสอนนะในทางคําสอน <Okay. S 1> แต่ถ้าสมมุติว่าคนที่เขาปฏิบัติตามไม่ได้แต่คนที่เขาปฏิบัติตามไม่ได้มันก็ต้องมีระดับที่เราดูคือในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ว่า คุณทําไม่ได้นะไล่คุณออกจากศาสนาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนกะ็ <c oughs> คือใครปฏิบัติได้ก็ตามสติตามกํำลังตามอินทรีย์ของคนนั้นทีนี้คุณทํา <c oughs> ได้มากทําได้น้อยอันนี้ก็เป็นผลดีกับตัวของผู้ปฏิบัติเองนะที่จะให้ได้ผลเองเห็นเองรู้ได้เฉพาะตนเอง <c oughs> มันมันจะไม่เหมือนกับว่าคุณทําไม่ได้ฉันขับไล่คุณออกจากสนาไมไม่ใช่อย่างนั้นใ น, ในทางคําสอนบุรุษยธรไม่มีค่ะ <c oughs> <c oughs> คนที่ฟังอาจจะมีหลายคนเมื่อฟังมาถึงตอนที่บอกว่ามีนัยยะที่สองมีข้อยกเว้นได้ศิ่งสีข้อแรกรักษาไว้ข้อที่ห้าถ้ารักษาไม่ได้ให้คุมที่คําพูดไม่ให้พูดคำหยาบสอเสียดเพื่อเจอโกหกดีใจแต่พอฟังต่อมาอ่ะไม่อย่างงั้นไม่เอาดีกว่าเรื่องแค่นี้เล็กน้อยรักษาไม่ได้ถึงขนาดจะไม่อยู่ในาศาสนาเชลหรือจริงจริแล้วไม่ใช่นะคะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลเต็มที่เท่ากับที่คว ร, ร จ, ะจะทําได้ไดใช่ะ ค, ะคือคือถ้าเรายังยินดีในการกินดื่มอยู่อันนี้คือเรายังเป็นเป็นทาตของเครื่องเครื่องเกาะเกี่ยวเครื่องเรียกสิ่งล่อในภายนอกนะมันก็จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันมันไม่เป็นอิสระนะเพราะจิตใจเราไม่เป็นอิสระจากสิ่งภายนอกการที่จะมาหาความสุขในภายในหรือว่าทําสิ่งที่มันดีเลิศหรูยิ่งยิ่งขึ้นไปมันก็จะยากขึ้นนะคะ ก็ได้ความรู้พอสมควรทีเดียวพร้อมกับยังได้รู้จักว่าในโลกนี้มีความเชื่อที่นอกเหนือออกไปแล้วคุณ เ, เขาเชื่ออโฟรชนะคะเขาก็บอกว่าเขาเชื่อว่ า, าศาสนาหรือว่าเล g a ซ y ีของเขา hmm. อ่ามรดกทางความเชื่อของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับการสืบทอดมาในยุคพอๆกับพระพุทธเจ้าเขาว่าอย่างนั้นเลยนะคะและทำให้ในทุกวันนี้เนี่ย มีคนที่คงเหลืออยู่ในเลคัซี่เนี่ยน้อยนิดเหลือเกินที่ประเทศอินเดียเข้ามาจัดแคว้นคุชชราดค่ะอขออนุ ญ, ญาตไปเรื่องต่อไปเลยนะคะเรื่องของการปฏิบัติตนตามพระพุทธศาสนาของเราเรื่องของการเดินจงกรมลคะท่านการเดินจงกรมเนี่ยจำเป็นไหมค ะ, ะจำเป็นสำหรับ สำหรับอะไรคือหมายว่าการปฏิบัติอะคะ่ะหมายถึงว่าถ้าเราจะเป็นคนปฏิบัติธรรมเนี่ยการเดินจงกรงเนี่ยจําเป็นไหม อ, อ๋อคือคือถ้าสมมุติคนเขาป่วยเขาเดินไม่ได้น่ยคือถ้าถ้าสมมติอาลามบอกว่าจําเป็นเอางี้คนป่วยก็จะไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ใช่ไหมมันก็จะไม่ใช่แต่นี้ว่าการเดินเนี่ยก็ในเอรีบทเดินคุณสามารถปฏิบัติได้เลือกที่จะทําได้แต่ถ้าเราเดินไม่ได้ไม่สุญในการเดินก็ใช้เอรีบทนั่งได้ได้ทุกเอรีบท น, น, นี่คือการปฏิบัติได้ทุกอริยบทเพราะว่าการปฏิบัติมันเป็นผลที่เกิดขึ้นที่ใจทําที่ใจนั่นเองก็ถ้าเขาเลือกได้เลยค่ะใช่ใช่ทีนี้แต่ที่นเคอได้ยินพระพุธองสอนคะว่าให้สลับนั่งกันไม่ใช่เหรอคะเดินกันนั่งสลับต ร, <ๆ>ตรงนี้ไงก็คือจึงถามว่าจําเป็ น, นจําเป็นสาหรับอะไรนัคือถ้าจําเป็นสําหรับการบรรลุธรรมได้ทุกอริยบทแต่ถ้าจําเป็นสําหรับการที่จะทําให้อาหารที่กินแล้วมันย่อยได้ง่ายเออนี้การเดินนี้นนจําเป็ น, นการที่เรามีกิจกรรม อันนี้จำเป็นที่จะให้ร่างกายมีอาหารย่อยได้ง่ายมีการอดทนต่อการทำความเพียรอันนี้การเดินจำเป็นซึ่งซึ่งมันก็จะมีข้อปฏิบัติที่พูดถึงชาคลียานธรรมคือเป็นผู้ที่แบบมีความมั่นคงมั่นใจเข้มแข็งในการที่จะประกอบตนให้ฝึกปฏิบัติให้ยิง่งยิ่งขึ้นไปซึ่งตรงนี้ผู้ที่ทาความเพียรระดับนี้ก็ต้องมีต้องการเดินการนั่งสลับกันไป คือเหมือนกับถ้าคนทำจริงทำจังทำอยู่ในลักษณะอิริยาบถเดียวก็อาจจะเกิดปัญหากับร่างกายใช่ใช่ก็ ก, ก็อาจจะเป็นได้ใช่เพราะว่าการที่เขาจะอดทนต่อการทำความเพียรเนี่ยจะจะน้อยกว่าปุญญีกได้ค่ะแล้วการเดินจงกรมที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นอย่างไรมี<อ>ไหมคะที่จะบอกว่า ทางเดินต้องเป็นแบบนี้ถึงจะเอื้อเฟืออ้อต่อการเดินถ้าทางเดินเป็นแบบนั้นอย่าไปเดินนะไม่มีทางจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าถ้าถ้าเป็นส่วนที่เป็นพุทธพจน์เองนะเราเราดูศัพท์คำนี้ที่หนึ่งแหมอัตมานี่ก็เพื่นได้เรียนภาษาบาลีลก็เลยเลยอยากจ ะ, ะวิเคราะห์คําที่เราเราเราใช้กันเรียกว่าจังกร ม, นะ ม, มะเนี่ยนะจงกรมคือจังกรมะเนี่ยที่เราบอกเดินจงกรมเดินจงกรมเนี่ยจริงๆคําว่าจังกรมะเนี่ยแปลว่าเดินเฉยๆ อ, อย่างคุณยมติวเดินจากบ้านไปตลาด เดินจากที่จอดรถไปที่ทํางานนะการเดินตรงนี้คือจังกรมะเลยค่นะเดยคือจังกมะคือเดินจบเพราะฉะนั้นจังกรมะไปหาเธอก็พูดอย่างาน <ๆ S 2> ี้ก็พูดแค่นี้เลยจบเลยค่ะเดีนี้อ่านี่คือพูดคำศัพท์ธรรมดานะไม่ต้องพูดถึงเรื่องไวิทกรงวิทยกองอะละยกไว้ก่อนนีมันคือการเดินเพราะฉะนั้นเราเดินไปนั่นไปนี่นี่คือจังกรมะอยู่แล้วนี่ยคือจังกรรมะอยู่แล้วทีนี้คําศัพท์ที่บุริษัทใช้ก็คือจังกรมะกลับไปกลับมา ให้ตรงจังกรรมะกลับไปกลับมาเนี่ยทําให้เราใช้กรรมะเดินจงกรมนะไม่ใช่เดินกลมๆเดินเป็นวงกลมนะไม่ใช่นะแต่แต่การเดินกลับไปกลับมาก็คือจังกรรมะกลับไปกลับมาเพราะนั้นเราจะเดินได้อยู่แบบทุกแบบก็คือคุณอาจจะเดินช้าเดินแล้วคือไม่ได้เป็นปัญหาแล้วก็เดินธรรมดาของเรานั่นเองนะนี่คือการเดินคุณจะเดินไปเดินบนบนถนนเดินไปห้องน้ํานี่คือการเดินทั้งสิ้นเลยค่ะ ทีนี้ก็จะมีะครูบาอาจารย์ที่ท่านอธิบายเพิ่มเติมมาะเอ้คนก็มีความสงสัยอย่างที่คุณยมติ๋วสงสัยนี่แหละเอ้เราเดินยังไงเร็วช้าแค่ไหนกี่ก้าวดีทางต้องทําด้วยวัสดุอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านอธิบายเพิ่มเติมอันนี้ก็มีหลายคนอธิบายก็แตกต่างกันไปค่ะแต่พระเจ้าท่านพูดสั้นๆอย่างนี้แหะคะ่ะแค่นี้เองแค่นี้เองจังกมาว ก, กลับไปกลับมาเนี่ยนะคะถูกต้องคือเรื่องของการเดินแล้วเราก็คือได้พูดถึงเรื่องการเดินอยู่หลายๆบริการนะเหมือนกับว่ามีอนง์ อย่างกี่ย่างนะฮะอย่า ง, นะางาสามารถที่จะคลายความง่วงได้ให้เป็นผู้ที่อดทนต่อการทําความเพียรอดทนต่อการเดินทางไกลอาหารที่บริโภคเข้าไปแล้วก็จะย่อยง่ายแล้วก็จะเป็นผู้ที่สมาธิที่ได้จากการเดินเนี่ยจะตั้งอยู่ได้นานนะซึ่งตรงที่พูดถึงเดินเดินเดินอันนี้ส่วนการเดินเนี่ยไม่ได้ใช้คำว่ากลับไปกลับมาด้วยซ้ำนะคือเดินธรรมดาเฉย ดูเหมือนแต่ว่าท่านกําลังจะพูดว่าถ้าพระพุโทโธตรัสอะไรเนี่ยเราจะต้องพิเคราะห์ถ้อยคําอย่างละเอียดคิดตัวเองไม่ได้อย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องถูกต้องออ ท, ที่บทพยัญชนะที่เรียกว่าเดินกลับไปกลับมาเนี่ยจริงๆแล้วปรากฏอยู่ตรงจุดที่บอกท่านพระหมหาโมกลลนะในตรงจุดที่เรียกว่าเป็นวิธีการแก้ง่วงวิธีหนึ่งนันก็คือกําหนดสติกําหนดหมายเดินกลับไปกลับมานะใช้คําตรงนี้คือคำว่ากลับไปกลับมาเพิ่มเติมขึ้นมาแต่โดยทั่วทวไปแล้ว ถ้าพูดถึงการเดินก็ใช้คำ ว, ว่าจังกรรมะคือเดินโดยไม่ได้มีคำ ว, ว่ากลับไปกลับมาค่ะดิ้นกําลังจะซักท่านตามความเข้าใจของตนเอง<ม>เผื่อจะตรงกับคําถามของท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะได้ได้ว่าถ้าอย่างนั้นการเดินเพื่อปฏิบัติของพระพุทธองค์เนี่ยจะว่าไปก็คือเดินแบบที่เรา เ, ราเราท่านๆนเดินนี่แหละใช่จังกรมะนะคะเพียงแต่ว่าต้องเดินแบบมีสติถูกไหมถูกต้องกําหนดสติกำหนดหมายใช่ไหมแล้วก็ มีสติน่ยมีใจไม่คิดไปในภายนอกอ๋ออันนี้เป็นคําเป็นพุทธพจน์เลยอ่าเป็นพุทธพจน์เลยกำหดหมายว่าไงนะคะท่านมีใจไม่คิดไปในภายนอกมใจไม่คิดไปนี้ไปในภายนอกกําหนดหมายเดินกลับไปกลับมากําหนดหมายเนี่ยคือหมายใจไว้ว่าจะเดินเดินเดิตรงนู้นเนแล้วก็จะกลับมาตรงนี้หมายใจว่าจะเดินกลับไปตรงนู้นแล้วก็จะกลับมาตรงนี้แล้วใจอย่าไปคิดข้างนอกนะ S <S ให้ใจอยู่ในขอบเขตของผิวหนังยมีแค่นี้มีอยู่ในขอบเขตของผิวหนังด้วยเหรอคะไม่ไม่มีไม่ไ ม, ม, มีอันนี้อมาอธิบายเพิม่มเติมคือคำว่ามีใจไม่คิดไปในภายนอกเนี่ยคือไม่คิดไปในนอกกายค่ ะ, ะนะคะอันนี้เดเรนคิดว่าถ้าผู้ที่สนใจในเรื่องของการปฏิบัติเนสงสัยเราต้องอยู่กันที่พุทธพจน์ิลนานาหน่อยนะคะได้ไมีใจไม่คิดไปในภายนอกมีใจไม่คิดไปในภายนอกก็แปลว่า ขออภัยนึงครับท่านค่นี่จะสามารถจะคิดว่าคิดไปถึงในศรีรษะของดิฉันตับไตไส้พุงของดิฉันลงไปถึงข้อเท้าข้อเข่าของดิฉันอย่างนี้ได้ไหมคะอย่างนี้ก็ได้ไดคืออันนี้ยพระบุตรญาตัดไว้แค่นี้ทีนี้ถามว่าไอ้นอกนี่มันนอกอะไรถ้าเราตีความแบบกว้า ง, ก, างก็คือนอกธรรมนอกวิ น, นัยอย่าไปคิดเรื่องนอกธรรมอย่าไปคิดเรื่องนอกวิ น, นัยค่ะเช่นอะไรบ้างเช่นเรื่องการปฏิบัติเปลี่ยนเบียท่านนี่มันเป็นเรื่องนอกแนวไปแล้วเรื่องอดีตอนาคตไม่ใช่แล้ว หรือหรือถ้าเราจะเอาแบบนอกกายแต่ถ้าเราจะตีความว่าเป็นเรื่องนอกกายก็ได้เหมือนกันนอกกายก็เพราะนั้นก็จะอยู่ในขอบเขตของกายแหละไม่คิดเรื่องอื่นนอกจากผมกนดเล็บฟันนังเนื้ อ, อกระดูกคิดไปอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเราจะพูดถึงว่าไม่ไม่คิดไปในเรื่องนอกธรรมะเราอาจจะคิดเรื่องอดีตแต่ว่าเห็นเป็นความเป็นอนัตตาแต่คิดเรื่องอนาคตแต่เห็นความเป็นของไม่เที่ยงค่ะอันนี้ก็ไม่นอกธรรมในเรื่องของอนุญาตถามตามประสบการณ์นะคะได้ได้ว่า ขณะที่เดินจงกรมที่นั่นเข้าใจว่าทุกคนจะคิดคล้ายๆกันนั่นแหละคือเดินสมาธิเในนี้ถูกไหมคะอทําสมาธิโดยท่าเดินจุตังนะคะอ่าเดินสมาธิทีนี้ปกติของสมาธิอะเดินไปเดินมาสมาธิก็แปลว่าควรจะอยู่ที่เดียวถูกไหมคะสมาธิคือความที่จิตมีอารมณ์อันเดียวจิตมีอารมณ์อันเดียวอเราบอกว่าเราตั้งใจที่จะมีสมาธิอารมณ์อันเดียวอยู่กับการเดินแต่ธรรมชาติของจิตเนี่ยจะไปคิดอย่างอื่น แน่นอนเลยระยะแหละนะคะใชะ่ทีนี้วิธีการวิธีการก็คือว่าเหมือนกับนั่งสมาธิก็เหมือนกันเลยนะั่นแหละเหมือนกับเวลาที่เราทำในท่านั่งเหมือนกับในเวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆจิตเราต้องต้องเป็นแบบนั้นแต่เราทำในท่าเดินเท่านั้นเองค่ะเป็นอิริยาบทของการเดินเท่านั้นเองโดยเดินตามที่พระพุทโธได้ตรัสเอาไว้ว่าเป็นการจังกมะจังกอืม มีใจ ไ, <ป S 1> ไม่คิดไปในภายนอกใช่กําหนดหมายเดินกลับไปกลับมาถูกต้องถูกต้องนะคะแต่ว่าท่านได้พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าผู้ทงตรัสได้ที่เดียวกับพระโมคคลานะก็เดินกลับไปกลับมาแต่ว่า<ช>จังกมามะตรัสได้หลายที่ ก, ก็ตรัสไปทั่วๆไปใช่อย่างอย่างยีงบทเช่นยืนเดินนั่งนอนค่ะดังนั้นที่ฉันกําลังคิดว่าบางทีเราก็อยากยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนะคะอ่าไหนไหนพูดถึงอานิสงส์ว่า จะช่วยให้ย่อยอาหารได้ดีด้วยเดินทนด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็เดินบนลู่วิ่งนะคะท่านคะเดินสบายๆแต่มันไม่ได้กลับสิคะมันเดินไปเรื่อยตามลู่ถูกไหมคะก็ได้เหมือนกันยังไม่ได้หลุดจากคำสอนของภาษาสระยังเป็นจังกรรมใช่ก็คือเราปฏิบัติในท่าเดินนั่นเองนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์กับคนที่เวลาไม่ได้มีมากนักเดินก็ต้องเดินอยู่แล้วเดินไปทางานใช่ไหมคะท่าน ถูกต้องเลยเดินขึ้นบันไดเดินไปทํางานเดินจากที่จอดรถพวกนี้เราปฏิบัติได้ตลอดมีใจไม่คิดไปในภายนอกได้ตลอดทินจะคิดในแง่ของการเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อที่จะให้มีการเจริญทางด้านของสมาธิยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะจนกระทั่งถึงจิตหลุดพ้นได้เนี่ยถ้าเดินด้วยกิจกรรมอย่างอื่นเช่นเดินไปทํางานอย่างมีสมาธิเนี่ย อันนี้ถ้าคิดไปมีโอกาสได้ไมั้ยคะที่จะเกิดดวงตาเห็นธรรมจากการเดินไปทํางานนี่เลยเป็นไปได้เป็นไปได้ด้วยอาการอย่างไรครับด้วยสติที่เราตั้งอาไว้ก่อนเนะี่ยเราตั้งสติเอาไว้ก่อนนะพอเราตั้งสติเอาไว้อยู่สักที่ใด ท, ที่หนึ่งเในกรณีนี้เราจะพูดถึงกายก็ได้นะเช่นลมหายใจหรือว่าคุณตั้งสติไว้ในเรื่องของธรรมะการมีความไม่เที่ยงนะแล้วมีสิ่งมากระทบนะมีสติก่อนนะแล้วมีผัสสะ มีภาษามากรกะทบเมื่อไหร่ปุ๊บแล้วเราเห็นความไม่เที่ยงเห็นตามที่เป็นจริงแล้ววางแล้วางทั้งจิตที่เข้าไปรับรู้ตรงนั้นวางทั้งภาษานั้นไปในการวางตรงนั้นเนี่ยแล้วไม่ไปยึดถืออีกด้วยอาํานาจของตัณหาวิชานั่นคือหลุดพ้นได้ค่ะภาษาที่ว่าสมมติบังเอิญเพิ่งเปิดมาฟังเดี๋ยวนี้เลยไม่เคยรู้มาก่อนเลยภาษานี่แปลว่าอะไรกันทั้งนั้นภาษาคือการกระทบเช่นเราอาจจะ ได้ยินเสียงใดเสียงหนึ่งเสียงแตรปิ้นปินหรือเสียงคนพูดคุยกันหรือภาษาประเภทนี้เป็นความคิดในใจความคิดนี้เกิดขึ้นความคิดนี้ดับไปนั่นนี่เป็นภาษาทางสิน้นแต่ภาษาทางเสียงภาษาทางความคิดภาษาทางตามากระทบแล้วแล้วด้วยสติที่ตั้งขึ้นไว้ปุ๊บเนี่ยแล้เราให้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของสิ่งเหล่านั้นแล้ววางน ว, วางได้วางได้ในที่นี้ก็คือไม่เข้าไปยึดถือไม่เข้าไปกลือนกลัวทั้งผู้ที่เข้าไปรู้ ทั้งสิ่งที่มากระทบนะวางแล้วไม่ไปยึดไม่ไปยึดถือสิ่งใหม่นะด้วย อ, อำนาจของตัณหานั่นก็คือความสลัดคืนค่ะถ้าดิฉันยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมตามที่ท่านได้ยกตัวอย่างมาเลยนะคะว่าผัสสะนี่คือเสียงที่มากระทบเมื่อนั่นเป็นเสียงที่แหมมันแป้นขึ้นมาเลยนะคะเรากําลังจะเดินแบบมีสมาธิตกกระจาย ต, ต, <ก>ตกใจแล้วกโกรธ ด, ด้วยอพราะมันทำให้เราแทบตกท่อสมมุติอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นนะคะ รายละเอียดในการวางต่างๆต ก, <ะ>ตกใจด้วยแล้วก็โกรธด้วยเนี่ยแสดงว่าจิตไม่ได้เป็นอารมณ์มเดียวนะีสติมันหลุดไปแล้วแต่พอสติหลุดไปแล้วเนี่ยความโกรธก็จึงเกิดขึ้นได้พอความโกรธเกิดขึ้นแล้วสติหลุดไปแล้ ว, สล แ, ลวแสดงว่าเราเพลินไปในอารมณ์นั้นแล้วเนี่ยเพลินไปในลักษณะที่ไม่น่าพอใจใ น, นั่นเองเพราะฉะนั้ น, ม, นมันจึงอันดับแรกก่อนนะ่ยอย่างที่ว่าต้องมีสติตั้งมั่นไว้อ ย, อย่างมั่นคงเลยทีเดียว mm. ซึ่งซึ่งถ้าผอกว่าเรามีผัสสะมาก คือคนที่จิตยังไม่ได้ฝึกให้อย่างดีแล้วเนี่ยนะแล้วมีภาษามากๆเนี่ยสติมันจะตั้งขึ้นได้ยากนะพระพุทธเจ้าจึงแนะนําว่าเอางั้นคุณไปอยู่เล็กเล้นมีภาษาลดลงหน่อยนะทำสติมันตั้งขึ้นได้ตรงนี้จะช่วยเหลือได้มากทีเดียวค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดยังเป็นคนเดิมอยู่ยังไม่มีโอกาสจะไปไหนแล้วมีสถานการณ์ในทํานอง น, นี้ก็เท่ากับว่าก็ไม่เป็นไรตั้งต้นใหม่ได้อย่างง่าดานใช่ตัวนี้เราก็ฝึกสติของเราได้ตั้งสติของเราได้นะคะอื คือเหมือนก็เริ่มต้นใหม่อยู่อย่างนั้นจนกว่าสติของเราจะมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นคือคือนี้ไม่ได้เป็นการเริ่มต้นใหม่นะนี้เป็นการสะสมไปเรื่อยๆแล้วทาตรงไหนได้ก็สะสมตรงนี้ก็สะสมมันมันจะเป็นประโยชน์ตรงนี้นะคะอก็ขอให้เข้าใจว่าเมื่อมีผัสสะมากระทบแล้วให้เห็นความไม่เที่ยงของผัสสะนั้นจะเห็นความไม่เที่ยงได้คุณต้องมีสติตัง้งขึ้นค่ะอนะคะนี่ก็คงจะทําให้อ่าท่านทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะ เข้าใจสามารถที่จะเดินจงกรมได้อย่างถูกต้องจังกะมะได้อย่างถูกต้องคนจริงถ้าพูดเดินจงกรมเนี่ยแปลว่าเดินเดินเดินใช่ค่ะถ้าเดินจงกรมเดินจงกรมก็แปลว่าเดินเดินเดินเดินเพราะจงกรมหรือจังกรมะจังกรมะแปลว่าเดินแปลว่าเดินพระพุทธองค์ตรัสไว้นะคะได้อ่าใจความที่เรนคิดว่าต้องจดจําเลยมีใจไม่คิดไปในภายนอก กำหนดหมายเดินกลับไปกลับมาถูกต้องแล้วท่านจะได้อานิสงค์คือที่งวงก็จะหายง่วงจะอดทนต่อความเพียรที่ปฏิบัติอยู่อดทนต่อการเดินทางไกลอาหารย่อยง่ายสมาธิตั้งอยู่ได้นานเด น, นโอกาสบรรลุธรรมเกิดขึ้นได้จากการเดินจงกลมวันนี้ก็กราบน้อมักการขอบพระคุณท่านพระมหาภัยลุญอภิปุณโอจากวัดป่าดอนหายโศกปัญ่า ย, ยิ่งค่ะ น, น, นอมั ก, การค่ะ เอนฟังที่ครบค่ละนี่คือรายการสัสนีสนทนานะคะปี2558เราก็ยังคุยกันเรื่องต้องบอกว่าเรื่องเดิมแต่ในเรื่องเดิมคือคำสอนของพระศ า, าสดานั้นบางทีเป็นเรื่องเดิมเดิมเลยนะคะแต่ฟังไปเราก็จะเจอแง่เจอมุมที่ใหม่มีแง่มีมุมที่ทำให้เราสามารถที่จะปฏิบัติได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นดิฉันสัมสนณาพงเป็นผู้ดาเนินรายการทางสถานีวิทยุ ครอบัวข่าว m อฟเแห่งนี้วันนี้เราก็ลากันไปกับวิธีการที่จะให้ท่านไปฝึกปฏิบัติด้วยตัวของท่านเองในการเดินจงกรมนะคะลาไปตเพียงเท่านี้พุทธสวัสดีค่ะ